สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพระการบริษัท4ี่ก็มาพบกันตามปกติและเรื่องที่จะนํามาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็ยังเป็นชีวประวัติของท่านนาถมิตรกะเศรษฐีอุบาสกแต่ว่าเรื่องในตอนนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายของชีวประวัติของท่านแล้วเรื่องที่กล่าวถึงนี้ก็กล่าวถึงความไม่แน่นอนของชีวิตความไม่แน่นอนของชีวิตก็คือความแก่ความเจ็บและความตาย ย่อมมีทั่วถึงกันหมดทุกคนไม่ว่าสัตว์สิ่งของที่ความจริงเช่นนี้ได้มีมาถึงท่านนาถาบิิกะเศรษฐีผู้ที่มีทั้งเงินและความดีดังมีเรื่องกล่าวอยู่ในบาลีคำพีมัชฌิมานิกายอุปริปันาฏแห่งสรายตนาวคือวักที่ว่าด้วยอาจตนะคือ เครื่องต่อความรู้หกอย่างว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วัดประเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีในสมัยนั้นท่านนาถบิกะเรษฐีป่วยเป็นไข้หนักต้องทนทุกขเวทนาอยู่จึงเรียกบุษคนหนึ่งมาสั่งว่ามานี่หน่อยเถิดพ่อมหาจำเริญพ่อจง ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณที่ประทับแล้วจงถวายบางโคมพระยุคลบาทของพระองค์ด้วยเสียนกล้าวตามคำของเราและจงกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าอนณาถบิิกะเศธธรษฐีป่วยเป็นไข้หนักทนทุกขเวทนาอยู่ขอถวายบางโคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า้วยเสียนกล้าวอนหนึ่ง พอจงเข้าไปหาท่านพระสาริบุตรเทระอย่างที่อยู่ของท่านและจงกราบเท้าเรียนท่านตามคําของเราอย่างนี้ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญอนณาถาบิติกะเศรษฐีป่วยเป็นไข้หนักทนทุกขเวทนาอยู่ขอกราบเท้าท่านพระสาริบุตรเทระโดยเสียนกล่าวและขอเรียนว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญโอกาสเหมาะแล้วขอพระคุณเจ้า จงมีความอนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศของท่านานาถาปิติกะเศรษฐีเถิดขอรับปรุษนั้นรับคําของท่านานาถปิติกะเศรษฐีแล้วจึงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างที่ประทับถวายบางโคมแล้วนั่งลงในที่สมควรข้างหนึ่งและพอเขานั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านานาถาปิติกะเศรษฐีป่วยเป็นไข้หนัก ตนทุกขเวทนาขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์ด้วยเสียงกล้าวพระเจ้าค่ะและต่อจากนั้นเขาได้เข้าไปหาท่านพระสารบุตรเถระจนถึงที่อยู่ของท่านกราบท่านพระสรบุตรเถระแล้วนั่งลงณัที่ควรส่วนครั้งหนึ่งและพอเขานั่งเรียบร้อยแล้วจึงกราบเรียนกับท่านพระสรบุตรเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญธนนาถบิตริกะเศรษฐี ป่ยเป็นไข้หนักทนทุกขเวทนาอยู่ขอกราบเท้าท่านพระสารีบุตรเทระด้วยเสียนกล้าวและสั่งมาอย่างนี้ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญโอกาสเหมาะแล้วขอท่านพระสารีบุตรเทระจงมีความอนุเคราะห์เข้าไปที่นิเวศของท่านอนาถามิติกะเศรษฐีเถิดขอรับพระสารีบุตรเทระรับนิมนต์ด้วยการดุษณีภาพแล้วต่อจากนั้น ท่านนุ่งสบงห่มชีโวและถือบาทและมีพระอนนตเทระเป็นปัจฉาสมณะคือพระติดตามแล้วเข้าไปยังนิเวศของธ่านนาถบินิกาเศรษฐีและขึ้นนั่งบนอาสนะที่เขาแต่งตั้งไว้สําหรับท่านเมื่อพระสัทบุทธเถระนั่งแล้วจึงกล่าวกับธ่านนาถบินิกะเศรษฐีว่าดูก่อนคราบดีท่านพออดทนไหวหรือไม่พอเป็นไปได้หรือไม่ ทุกขเวทนาทุเราลงไม่มีอาการกำเริบขึ้นหรือท่านานาถวิติกาเศรษฐีกราบเรียนว่าข้าแต่ท่านพระสริบุตรผู้เจริญกระผมทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนักมากมีอาการกำเริบขึ้นไม่ทุเลาลงเลยครับข้าแต่ท่านพระสริบุตรผู้เจริญโรครมมีกำลังแรงกล้า กระทบกระหม่อมของกระผมอยู่เหมือนบุรุษผู้มีกําลังใช้ของแหลมคมทิ่มแทงกระหม่อมฉะนั้นกระผมจึงทนไม่ไหวทุกเวทนาของกระผมขณะ น, นี้มีแต่หนักขึ้นไม่ทุเลาลงปรากฏแต่อาการกําเริบขึ้นเท่านั้นไม่ปรากฏว่าอาการทุเลาลงเลยขอรับข้าแต่ท่านพระสรบุตรผู้เจริญ โรคลรมมีกำลังแรงกล้ากระทาให้กระผมวิงเวียนศีษะอยู่หลุดผู้มีกำลังขันชนะที่ศีษะอย่างมั่นคงกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมมีแต่หนักขึ้นไม่ทุเลาลงมีแต่อาการกำเริบขึ้นเท่านั้นอาการทุเลาลงไม่ปรากฏเลยครับข้าแต่ท่านพระสาริบุตรผู้เจริญ โรคลมมีกำลังแรงกล้าเรือประมาณปั่นปนในท้องของกระผมอยู่เหมือนคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ฉลาดใช้มีดแล่เนื้ออันคมขวานทองฉนั้นกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมมีแต่หนักขึ้นไม่ทุเลาลงปรากฏแต่อาการกำเริบขึ้นเท่านั้นอาการทุเลาลงไม่ปรากฏเลยขอรับ ค่าแต่ท่านพระสาิบุดุผู้เจริญความร้อนในกายของกระผมมีกำลังร้อนแรงเหลือประมาณเหมือนบรุษผู้มีกำลังสองคนจับแขนบรุษผู้มีกำลังน้อยกว่าที่อวัยวะสำหรับป้องกันตัวต่างๆเช่นแขนและขาเป็นต้นแล้วนำไปย่างบนหลุมทานเพลิงให้เร่าร้อนชันใดกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมมีแต่หนักขึ้น ไม่ทุเลาลงปรากฏแต่อาการกาเริบหนักขึ้นเท่านั้นอาการทุเลาลงไม่ปรากฏเลยขอรับพระสารบุตรเทระจึงแสดงทำให้ท่านนาถาบิิกระเศรษฐีฟังว่าดูก่อนท่านขราบดีท่านพึงสําเนียกคำว่าสําเนียกกหมายถึงกำหนดจดจำ ว่าจะไม่ยึดถือตาหูจมกูกรินกายใจและวิญญาณของท่านจะไม่อาศัยตาหูจมกูกรินกายใจท่านพึงสำเหนียกว่าจะไม่ยึดถือรูปเสียงกลิภภ่นรสโภภพธิภะโพธิภะก็หมายถึงสิ่งที่ถูกต้องโดยกายธรรมะสิ่งที่พึงรู้แจ้งโดยใจและวิญญาณของท่านจะไม่อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโพธิพะธรรมะ ท่านพึงสำเนียกว่าจะไม่ยึดถือวิญญาณหกมีจักขุ่วิญญาณคือความรู้แจ้งอารมณ์ทางตาเป็นต้นและมีมโนวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางใจเป็นที่สุดและวิญญาณของท่านจะไม่อาศัยวิญญาณหกมีจักขุวิญญาณเป็นต้นและมโนวิญญาณเป็นที่สุดท่านพึงสำเนียกว่า จะไม่ยึดถือสัมผัสคือการถูกต้องที่ให้เกิดความรู้สึก6กอย่างมีจักขคุสัมผัสคือความถูกต้องที่ให้เกิดความรู้สึกทางตาเป็นต้นมีมโนสัมผัสการถูกต้องที่ให้เกิดความรู้สึกทางใจเป็นที่สุดและวิญญาณของท่านจะไม่ยึดถือสัมผัส6มีจักขคุสัมผัสเป็นต้นมีมโนสัมผัสเป็นที่สุด ท่านพึงสําเดนีกว่าจะไม่ยึดถือเวทนาคือความรู้สึกอารมณ์มีจักขุสัมผัสสชาเวทนาคือความรู้สึกอารมณ์อันเกิดแต่สัมผัสทางตาเป็นต้นมีมโนโสัมผัสสชาเวทนาคือความรู้สึกอารมณ์อันเกิดแต่สัมผัสทางใจเป็นที่สุดและวิญญาณของท่านจะไม่ยึดถือเวทนาหมี จากขูสัมผัสสชาเวทนาเป็นต้นมีมโนสัมผัสสชาเวทนาเป็นที่สุดท่านพึงสำเนีกว่าจะไม่ยึดถือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศและธาตุรู้ก็หมายถึงวิญญาณธาตุและวิญญาณของท่านจะไม่อาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศ และธาตรู้ท่านพึงสำเนียกว่าจะไม่ยึดถือเบญจขันต์คือขันธ์ห้าอนายแก่รูปเวทนาสัญญาคือความจำใต้หมายรูปสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งวิญญาณและท่านจะไม่อาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณท่านพึงสำเนียกว่าจะไม่ยึดถืออรูปฌาน คือฌานมีอรูปธรรมเป็นอารมณ์4ได้แก่อากาานัญจายตนะหมายถึงฌานกำหนดอากาศคือช่องว่างหาที่สุดไม่ได้เป็นอารมณ์วิญญาณันจายตนะคือฌานกำหนดวิญญาณหาที่สุดไม่ได้เป็นอารมณ์อากินจัญญายตนะคือฌานกำหนดภาวะที่ไม่มีอะไรเป็นอารมณ์และเนวสัญญานาสัญญายตนะ คือฌานกำหนดภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นอารมณ์และวิญญาณของท่านจะไม่อาศัยอากาสานานจายตนะตลอดกระทั่งถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะท่านพึงสัมเนียกว่าจะไม่ยึดถือโลกนี้โลกหน้าและวิญญาณของท่านจะไม่อาศัยโลกนี้โลกหน้าท่านพึงสัมเนียกว่าจะไม่ยึดถือ สิ่งที่ได้เห็นได้ฟังได้รู้ได้รู้แจ้งได้สแสวงหาได้พิจารณาด้วยใจแล้วและวิญญาณของท่านจะไม่อาศัยสิ่งนั้นเมื่อพระธรรมเสนาบดีสาริบุตรเถระได้กล่าวธรรมะอย่างนี้จบลงแล้วธ น, นานาถบิติกะเกษฐีได้ฟังแล้วก็ร้องไห้น้ําตาไหลพรากขณะนั้นพระอนุเทเรได้กล่าวกับทา น, นานาถบิติกะเศรษฐีว่า ดูก่รคารมอดีท่านยังอะไรใจจดใจจ่ออยู่หรือท่านนาถาบินติกะเศรษฐีจึงกราบเรียนว่าข้าแต่ท่านพระอานนุ์ผู้เจริญกระผมไม่ได้อะไรไมิได้มีใจจดใจจ่อแต่ว่ากระผมได้นั่งใกล้พระบรมศาสดาและหมู่พระพิสุอันเป็นที่น่าเจริญใจมานานแล้วยังไม่เคยได้ฟังธรรมมีคาถา คือถ้อยคําที่ประกอบด้วยธรรมเช่นนี้เลยครับพระนนเทเทระกล่าวชี้แจงว่าดูก่อนท่านกระรังบดีทำมีกถาเช่นนี้ย่อมไม่แสดงแกคาหัดผู้นุ่งขาวห่มขาวแต่แสดงแก่บรรพชิตธนนาณาถบิกะเกษฐีจึงกราบเรียนขอร้องว่าข้าแต่ท่านพระสริบุตรผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอท่านพระสริบุตรจงแสดงทำมีกถาเช่นนี้ แก่พวกขรรชที่นุ่งขาวผมขาวบ้างเถิดเพราะมีกุลบุตรผู้เกิดมาที่มีกิเลสทุลีในดวงตาน้อยจะเสื่อมคลายจากธรรมะจะเป็นผู้ไม่รู้ธรรมะเพราะไม่ได้ฟังธรรมะส่วนผู้ที่รู้ทั่วถึงซึ่งธรรมะทั้งหลายมีอยู่ครับครั้งนั้นพระสารบุตรเทระและพระ อ, อ น, นุตเทระ กล่าวสนทานนาถบินิกะเศรษฐีด้วยธรรมวาทนี้แล้วจึงลุกจากอาสนะกลับไปเมื่อพระเทระทั้งสององค์ลากกลับไปแล้วไม่นานเท่าไหร่ทนนาถบินิกะเศรษฐี ก, ก็ได้ถึงแก่กรรมคือตายไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นดุสิตก็คือสวรรค์ชั้นที่สในบรรดาสวรรค์หกชั้นเป็นอนาถบินิกะเทพประบ ครั้นอนาถาบิกาเศรษฐีได้เกิดเป็นเทพประบุตรอยู่ในสวรรค์ชัน้นรุสิธิ์แล้วพอถึงเวลามัจฉิมยามทา น, นานาถบิกาเทพระบุตรมีรับสมีงามได้ส่องวัดพระเชตวันมหาวิหารให้สว่างสวายไปทั่วแล้วลงมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาเหล่านี้ว่าวัดประเชตวันมหาวิหารนี้เป็นที่มีประโยชน์เป็นที่อาศัยอยู่แห่งสงผู้สแสวงหาคุณธรรมอันประเสริฐเป็นที่ประทับอยู่ของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระธรรมราชาผู้ทรงทำให้ข้าพระองค์เกิดปีติคือความอิ่มใจปราโมทคือความปลื้มใจ สัตวโลกทั้งหลายบริสุทธ์ด้วยธรรมะห้าอย่างคือ 1. กรรมการกระทํา 2. วิชาความรู้แจ้งในมรรค8 3. ธรรมธรรมะทฝ่ายสมาธิ 4. สีศีลคือศีลในมรรคหชีวิตอันสูงสุดคือชีวิตของผู้ตั้งอยู่ในศีลมีใช่บริสุทธ์ด้วยโคดคือวงตระกูลและทรัพสมบัติเพราะฉะนั้น บุคคลผู้เป็นบิดดิศเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตนพึงเลือกเฟ้นธรรมโดยเหมาะกับเหตุผลจึงบริสุทธิ์ในธรรมนั้นด้วยอาการอย่างนี้พระสารีบุตรเทระเป็นผู้สูงสุดด้วยปัญญาด้วยศีลและด้วยความสงบความจริงพระพิสุทิ์ที่ข้ามไปถึงฝั่งพระนิพพานได้แล้วจะอย่างยิ่งก็เท่ากับพระสารีบุตรเทระเท่านั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพอพระทัยตามที่ได้ทรงสดับถ้อยคําของอนาถบินทิกะเทพบุตรที่ได้กราบทูลแล้วนั้นครั้นอนาถบินทิกะเทพบุตรทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพอพระทัยต่อคากราบทูลจึงกราบถวายบังคมลากระทําประทักษิณคือเดินเวียนขวาสามรอบแล้วก็อันตรทาน ก็หายตัวไปในสถานที่นั้นนั่นเองพอถึงเวลารุ่งเช้าขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเล่าเรื่องของอนาถบินิกะเทพระบุตรลงมาเฝ้าพร้อมทั้งทำของอนาถบินิกะเทพระบุตรดังกล่าวมาให้พระพิสุทังหลายฝั่งพระอนนตเทระจึงกราบทูลว่าถ้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญเทพบุตรองค์นั้น คงจะเป็นท่านอนาถาปิณิกะเทพบุตรเป็นแน่เพราะเหตุว่าท่านอนาถาปินิกะเศรษฐีได้เป็นผู้มีความเลื่อมใสามากในท่านพระสาริบุตรเถระพระจุคาเพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าถูกแล้วอนน์เหตุที่เธอคาดคะเนนั้นเธอลําดับเรื่องได้ถูกต้องแล้วเทพบุตรนั่นคืออนาถาปิณิกะเทพบุตรมิใช่ใครอื่น ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพระนรเทเรจึงชื่นชมยินดีต่อพระภาสิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าการได้สาเร็จพระโสดาปติผลของท่านสิทฐีจัดเป็นกรณีพิเศษเพราะเมื่อท่านสิ้นชีวิตไปเกิดในเทวโลกแล้วจะไม่กลับมาเกิดในมนุษย์สยโลกอีกโดยมีข้อความกล่าวไว้ในอัตกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนี ที่ขยายความบาลีปุกคละบัญญัติพระอภิธรรมปิฎกความว่าธนานาถะบิติกะเศรษฐีและมหาวชิกาวิสาขาเป็นต้นโดยมีรวมเจ็ดคนด้วยกันเจ็ดคนด้วยกันนั้นก็ได้แก่หนึ่งนานาถะบิติกะเศรษฐี 2. นางวิสาขามหาบุริกา 3. จุรธเทพระบุตร4 มหาราเท พ, พบุตร5อเนกวันเท พ, พบุตร6ท้าวส ก, กะเทวราช7นาคทัตเท พ, พบุตรท่านเหล่านี้ได้เป็นอุทังโสตคือเป็นโสดาอุทังโสตคือผู้จะเกิดในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงสุดทาวาสพรมโลกแล้วนิพานในชั้นอากนิคือ รูประพรมชั้นสูงสุดในพรม16ชั้นที่เป็นชั้นใหญ่ที่สุดและเป็นชั้นสุดทาวาดภูมิชั้นสูงสุดคือเป็นภูมิที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์จะไม่กลับลงมาเกิดในมนุษยโลกอีกแต่เป็นพระโสดาบันที่เรียกว่าวัตตพิรติแปลว่าผู้ยินดีในวัตตะคือเกิดเวียนไปในสวรรค์ชั้นต่ำสุด จนถึงชั้นสูงสุดนับเป็นผู้มีอธัธยาศัยพอใจในวัตตะบุญและบารมีบุญคือความดีบารมีคือคุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวดเพื่อบรุจุดหมายอันสูงยิ่งของท่านจึงทำให้ท่านได้สวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นต่างๆอยู่ตลอดกาลนานมากและท่าน จะได้เข้าสู่พระนิพพานเป็นประโยชน์สารคือที่สุดลงโดยรอบแห่งชีวิตก็เป็นอันว่าชีวประวัติของท่านอนาถบิติกะเศรษฐีอุบาสกที่นํามาเล่าเสนอท่านผู้ฟังติดต่อกันมาหลายวันจบลงเพียงเท่านี้แต่สารคติของท่านอนาถบิติกะเศรษฐีก็เป็นเครื่องที่ชี้ให้เห็นว่าท่านเป็นผู้บริจาค ทั้งอาหารผ้าและสถานที่อยู่เป็นการบริจาคทานที่ครบทุกอย่างและด้านจิตใจของท่านก็ได้เป็นพระริยะโสดาบันและจะได้เป็นพระรานต่อไปอย่างแน่นอนคำว่า พระโสดาบันที่ท่านควรจะได้รู้ว่าเมื่อบุคคลผู้ได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็หมายถึงท่านผู้เข้าถึงกระแสธรรมหรือกระแสนิพพานมีอยู่สประเภทได้แก่หนึ่งเอกพีชีจะมาเกิดอีกครั้งเดียว2โกลังโกละจะมาเกิดอีก2ถึง3ครั้ง3 สตักขตุประมะจะมาเกิดอีกเจ็ครั้งเป็นอย่างมากนี่ก็เป็นเรื่องของพระโสดาบันแต่ว่าก่อนจะลาจากท่านผู้ฟังในเรื่องนี้ก็อยากจะข อ, อนำเรื่องที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพระกรุณาเทศปโปรดธ่นนาถพิดิกะเศรษฐีเมื่อครั้งประทับอยู่วัดประเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีดังที่มีเรื่องบันทึกอยู่ในเวลามาสูต คำพีอังคุตตรนิกายนวาวกานิบาศโดยทรงปรารพถึงพระชาติที่พระองค์ทรงบังเกิดเป็นเวลามาพรามณ์ได้ถวายมหาทานที่ใช้ทรัพย์สิ่งของมากแต่มีผลดีสู้การปฏิบัติธรรมะตามหลักสี่ประการไม่ได้ข้อปฏิบัติสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ได้แก่ 1. มีจิตใจเลื่อมใสในพระธรตรัย ได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึก 2. รักษาศีลห้าได้แก่ตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามก็หมายถึงการประพฤติผิดในลูกในเมียในผัวเขาการกล่าวเท็จและงดเว้นจากการดื่มสราเมรยัยและเสพของมึนเมา 3. การเจริญเมตตาจิตได้แก่ความปรารถนามีความปรารถนาดีไมตรีจิตคิดจะให้บุคคลและสัตว์ทั้งหลายมีความสุขแม้จะเป็นช่วงสั้นๆเพียงแค่สูดดมของหอมก็มีอาณิสง์มากอันหนึ่งในโอกขาสูตรคำพีสังยุตตนิกายนิธานวัต ก, กล่าวว่า การแผ่เมตตาจิตเพียงแค่รีดนมโคให้หยุดน้ำนมแห่งแม่โคลงหรือชั่วรีดขึ้นแล้วรีดลงมีคุณค่ามากกว่าการตั้งเตาหุงอาหารเลี้ยงคนสามมือมือละหนึ่งร้อยกระทะก็รวมเป็นสามร้อยกระทะหรือหม้อใหญ่นี่เป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากผู้ เจริญเมตตาจิต 4. การเจริญอนิจจสัญญาได้แก่การกำหนดหมายว่าไม่เที่ยงแม้เพียงชั่วระยะเวลาแค่ลัดนิ้วมือหรืองอนิ้วมือเข้าหรือเจียดนิ้วมือออกเท่านั้นกุศลกรรมทั้งสีน่นี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีอนิสงค์คือผลแห่งความดีมากกว่าการถวายทาน แด่พระอริยบุคคล4ระดับคือ 1. พระโสดาบัน 2. พระสกะทาคามี 3. พระอนาคามี 4. พระอระหันต์การถวายทานแด่พระประเจคพุทธเจ้าการถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าการถวายทานแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขและการสร้างที่อยู่อาศัยถวายแด่ พระสงค์ผู้มาจากสี่ทิศการถวายทานแด่ท่านผู้ที่มีคุณอันสูงยิ่งทั้งหลายทั้งห้าระดับดังกล่าวนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่ายังมีอานิสงส์น้อยกว่าการลงมือปฏิบัติที่ตัวของผู้ปฏิบัติเองทั้งสี่ข้อข้างต้นตามพระพุทธธรรรัตน์แนะนำว่าการถึงพัตนาตราเป็นจรณนะก็มีผลมากกว่าการถวายทาน การรักษาศีลห้ามีผลมากกว่าการถิงพระัตนตรัยเป็นสรณะการเจริญเมตตาจิตคือการแผ่ความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์มีผลมากกว่าการรักษาศีลห้าและการเจริญอนิจจสัญญาคือการกำหนดหมายว่าไม่เที่ยงมีผลมากกว่าการเจริญเมตตาจิตและการเจริญอนิจจสัญญามีอนิสง คือผลแห่งความดีมากกว่ากันเป็นลำดับโดยจะสังเกตว่าลำดับหลังๆ ล, ลงทุนน้อยลงลงแรงน้อยกว่าแต่มีผลด้านการพัฒนาจิตใจสูงกว่าเพราะฉะนั้นการเจริญอเนิเจสัญญามีผลดีสูงที่สุดและการกระทำตามหลักทั้งสีข้อไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเลย ใช้แต่การปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมให้ถูกต้องและถูกทางพระพุทธศาสนาสอนให้พุทธบริษัทลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อจะได้เกิดมีคุณธรรมต่างๆที่ตัวเองบ้างและจะได้รู้เห็นด้วยตนเองโดยไม่ต้องเชื่อใครมาบอกดังบทพระธรรมคุณว่าวินยูชนทั้งหลายพึงรู้เฉพาะตัว หรือมีคำพังเพยว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นแล้วท่านจะไม่ลงมือปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนบ้างหรือท่านผู้ฟังครับก่อนจากกันวันนี้ก็ขอฝากรอนเป็นข้อคิดในหัวข้อว่าโลกนี้เป็นที่อาศัยอยู่ชั่วครู่เดียวโลกเ อ, อ๋ยโลกนี้ เพียงเป็นที่อาศัยอยู่ชั่วครู่หนึ่งคนโง่เขลาเบาปัญญาติดตราตรึงคิดคำานึงนึกเห็นเป็นของตนลืมความจริงสิ่งประจักษ์เป็นสักขีสิ่งที่มีอาจสูญหายคล้ายล่องหนต้องเรียนรู้เรื่องแปรเปลี่ยนหมุนเวียนวนเราทุกคนควรเข้าใจให้ถูกเอ่ย ท่านผู้วังครับวันนี้ต้องขอลาจากกันเพียงนี้สวัสดีครับ